พวกเราก็ปฏิบัติทมทุกวันทุกวันเช้าถึงกลางคืนคมืดมืดเวลาก็มีเท็มที่ไม่มีภาระอะไรก็หน้าที่ของเราก็ ทึมแท้การปฏิบัติธรรมเจริญสติสานจังวะเดินจงกรมแล้วก็นอกจากนี้ก็ไปบินทบาทก็มีสติธำอาหารมีสติ ฉันอาหารรับประทานอาหารก็มีสติเดินไปเดิน ม, มาไปสรากับกุฏิที่พักก็มีสติแล้วก็อาบน้ำ ทำความสะอาดแล้วก็พักผองก็มีสติดได้อีเดียบทสีงานยืนนั่ง น, นอนก็เดินก็มีสติ ขับทายมีสติก็ทำไปเรื่อยๆบางทีก็มีความคิดม้แทรก็ามาก็ไม่เป็นไรไม่ติดกับมันหรือว่าเผลอไปอย่าประมาท ก็มีสติกลับมากลับกายก็เป็นปกติได้ถ้าเราปฏิเสธความคิดมันก็มีอาการกายก็ตึนเครียดได้ แต่ว่าเราก็ปลอยไม่แค้นมีอะไรก็ยอมรับมันแต่ว่าไม่ได้ติดกับมันมันรู้ตัวแค่เฉยเฉยรู้ตัวรู้กายรู้ใจเป็นนาการมันเกิดขึ้นก็ดับไป แล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็ดับไปเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติหลวงพ่อก็แทศบ่อย เ, ออเราก็ดูธรรมชาติด้านนอกด้านในแพ่งอาการเกิดตามเหตุกับปัจจัย มันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแก้อาการมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มันเกิดมาตา้งเยอะแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปหายถ้าเราก็ไม่ยึดกับมันก็มันหายไปเองถ้าเราก็เผลอมันก็ติดถ้าติดแล้วก็อยาก อยากแล้วก็ทำแล้วก็เป็นติดอีกมันก็เป็นกรรมแ่งวัตสงสารมันก็เป็นธาตุของมันได้แล้ว ก, วก็มันก็เกิดขึ้นทางกาย ท่นเฉลวในร่างกายก็เกิดขึ้นดับไปมันรูปก็เกิดขึ้นดับไปเภตนาก็เกิดขึ้นแล้วดับไปสัญญาก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารก็เกิดขึ้นแล้วดับไปอีกอย่างก็เกิดขึ้นแล้วดับไป มันขานตั้งห้าเพราะไม่เที่ยนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตมไม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าของเราเพราะว่ามันก็เป็นนาการมันก็ไปไปมามาถ้าเราก็ไม่ได้เป็นธาตุของมัน เ็นผู้ีรูเห็นช่ยๆ อ, อ่อมันก็อิสระได้ชีวิตก็เป็นปกติไปเรื่อยๆมั่ก็เกิดมันทุกข์ก็เป็นสัญญาณว่า อ, อ๋อนี่ก็ตอนนี้ มีทางหาประตาง ม, มีอยู่เพราะว่ามันก็สาเหตุทำให้เกิดทุกข์ถ้าทางหาประทางก็หายไปแล้วก็ทุกข์ก็หายไปเองไม่ใช่มาจากด้านนอกมันเกิดขึ้นที่จิตใจ ก็เราก็มันดูให้ถูกต้นเป็นเป็นช่อปัตธมเป็นเดิไปเรื่อยๆมันดริ่สึกตัวมันดรสึกตัว ทำอะไรก็ดูสึกตัวก็ดูเป็นการกระทำสามอย่างก็การทางกายทางวาจาทางใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกระทำเป็นกรรม ถ้าเราเผลอทำแล้วก็เป็นกรรมเชื่อก็ได้มันคิดขัดเคืองอิจาริษยาหรือว่าดาคนนี้คนนั้นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากเป็นอยากมีถ้าเรา ไม่ระมดราดละวันก็มันก็จิตใจก็ทุรีกีดเดรมันก็ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของจิตใจผู้ดูผู้เห็นก็มีอะไรข้ามาแสก็ ก็ไม่เป็นไรก็กลับมาดูเห็นมันก็หายไปเองเพราะสิ่งที่ดูนี่ไม่เป็นไม่มีเห็นไม่มีการเห็นก็มันก็ติดเป็นมนบอกก็บอกว่าอย่าเป็นผู้พูดเป็น ให้เป็นผู้ดูผู้เห็นก็เพิไปเรื่อยๆก็เม็นเพือเห็นก็เกิดแล้วก็เจริญตึกโตได้แล้วก็มาช่วยด้วยตรงเอง็นถ้าเราก็สร้างสติไปเรื่อยๆมันก็เป็นเคยจิน มันก็สติก็มาเอนเราไม่ต้องสร้างก็มาเองมันช่วยเราให้เป็นปกติได้แต่ก่อนนิกกี้ดเดตั้งหาความอยาความกรอดความหลงก็มาเองเพราะว่ามันก็ทำไปเรื่อยๆเป็นกรรมอยู่แต่ว่าเราก็เปลียมเป็น เป็นผู้ดูผู้เหงก็มาแอมาช่วยเรามาทำดีให้เราพาไปทำเชื่อก็ถูกระงับไปแอนสินจิ้านด้วย วิทยะความเพียรในปัจจุบันนี้ก็ได้ผมก็อนาคตก็มาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นนี่ก็นาทีของเรากไม่ต้องหวังผมอนาคตหรือไม่ควน เรื่องอดีตทำในปัจจุบันทำอะไรได้ก็ปัจจุบันอนาคตก็ทำไม่ได้ในปัจจุบันมาทาดีก็ในปัจจุบันแล้วอนาคตก็มันได้ดีทำเชื่อในปัจจุบันก็อนาคตมันทำเชื่อก็ ก็มาแอนได้ไม่แอนได้มาแอนก็เราก็ตามไปเรื่อยๆก็กันจะเกิด ป, ปัญญาเข้าเข้าใจอ น, นิจจัน์ไม่เที่ยนไม่มีอะไร ย, ยันยืน ร่างกายก็มันเกิดขึ้นดับไปจิตใจมันเกิดขึ้นดับไปอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแค่อาการเฉยๆมันก็ไม่มีตัวไม่ไม่มีตนมันทุกข์ขานก็ทนยากร่างกายทนยากจิตใจทนยาก ไม่ถาวนเป็นธรรมชาติเรื่องๆแล้วก็ไม่ติดกับมันมันถูกเกิดขึ้นนี้ก็แล้วก็พยายามที่จะรักษาแก้ไขเท่านั้นไม่ต้องว่าไม่ต้นดาไม่ร้นไม่ทุกข์ก็ได้ เพราะว่ามังงะกามเป็นธรรมชาติก็เราก็ถ้านั่งกายเจ็บป่วยก็พยายามรักษาให้บันเทาถ้าจิตใจมัน่นภูมิมันทุกข์ก็รักษาอารัตทิมภัย เรื่อยสติก็มันก็รู้ว่าเป็นเจนนังเองเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมะมันมีอะไรเกิดขึ้นก็เหตุมีเหตมีปัจจัยเหตุปัปจจัยมันก็ดับไปแล้วก็ผมก็ดับไป ก็ทำไปเรื่อยๆมันรู้สึกตัวในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เลาก็มันทุกข์ก็แก้ทุกข์ถ้าเรามันสุขเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ติดกับมันมาเอาเป็นเช่นนังง่งแอมันมีความสุขก็เกิดขึ้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติสรรเสริยินตานี้ก็มันก็เกิดมาบ้างก็มันก็เป็นไม่ต้องว่าดาไม่ต้องทุกข์ก็ได้ ันทีก็ได้ราบได้สักกะเราก็ไม่ต้องว่าดีใจมากก็ได้มันก็หายไปเองบันทีหายไปนี่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นธรรมชาติามี สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วก็เราก็เลือกสิ่งที่ดีเพืที่มีสติก็เลือกได้ชีวิตก็เลือกตาต่างดาั้งคุสมรมไม่ใช่เป็นอัธรรมอัธรรมนี่มันเป็นอกุสม แล้วก็เพืดที่เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ก็เลือกทานด้านกุศลไม่ได้เลือกบกุบศลก็แล้วก็เตือนเตือไม่หลงไม่หับไม่ได้หับทานใจ แต่ว่าเราก็เตือนตาก็ดื่มตาแต่ว่าจิตใจมันก็นอไปก็ได้ไปอย่างที่จะเตื่นใจมันเตื่นตัวเป็นฐานด้านจิตใจเวลาไหนอยู่ที่ไหน พอมีสติเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาได้แม้ว่าเราก็มีเพื่อนเยอะแย ะ, ยะแต่ว่าถ้าไม่มีเพื่อนเป็นสติก็ขาดเครื่อนบางก็ เพื่อนบางทีก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้กับเราจัโดยเฉพาะตันงด้านจิตใจก็ต้องแก้ไขด้วยตรงแอ ง, องถ้าเราฝึกฝงปรมตัวเองดีก็เพื่อนเป็นสติก็เยอะกับเรามีปัญหาเกิดเครื่องก็มันก็ช่วยเหลือ แก่ไกลปังคขาด้วยตรงเอ็นได้ปัญญาก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีมันก็เป็นทำให้เราเป็นพู้ที่เป็นปกติเป็นความสงบสันวานได้ ก็ทำไปเรื่อยๆรู้สึกตัวกายรู้สึกตัวใใจิตใจวิถีวัดป่าสุตกตัวก็ก็ดีตอนนี้ก็เป็นจะเดินปั่อา ต, ต, ตมาบวชมาย8ปปีที่แล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ก่อยมีกุฏิไม่ก่อยมีอาหารไม่ก่อยมีเสนาสนะสะดวกไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำกินก็ที่นี้ก็ดีเอาดอนสมบูรณ์เขาแต่งบรรยากาศมีเพื่อนมี คือวาจางก็มันก็สมบูรณ์ก็ไปอรรมาก็ไปมาหลายที่นะไปวัดหลายวัดบันทีก็ไปตามประเทศแต่ไต้หวันสหรัฐอเมริกาแบบคำพอคำเขียน ก็ไปมาได้ประสบการณ์แม้ว่าจริงๆแล้วมันนดปรสุกตโตนี่มก็รู้สึกว่ามันดีที่สุดเป็นปบรรยากาศจะเป็นธรรมชาติก็อยากยอมผสมก็เป็นกันเองเป็นกรารอนามิติแท ก็อยู่ก็เป็นอภูนใจทางการเงินก็ขบคบแมวแออมชีก็ทำให้เป็นสมบูรณ์ดีคุณภาพดีอยากยมก็ก็สตารเริ่มใส่ใส่บาททุกวนัน หรือว่ามาวัดทาบุญทำทานก <c oughs> ็เป็นเป็นเป็นบารมีครูบาาจารย์หลวมพ่อคำเขียนแล้วก็หลวงพ่อเทียนก็สอนทางด้านชอบธรรมไม่ได้สอน ด่างธรรมเป็นกสวรธรรมแล้วก็ปฏิบัติได้แล้วก็ได้ผมได้ทุกกลนวกญี่ปุ่นก็มาเรื่อยๆก็บางของก็บันก็ทุกใจมาก ถึงจะเคยฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองแต่ว่าไม่มไม่รอดก็ามาที่วัดป่าสุกัตโตก็มีน่าดายก่นหรือว่าเป็นไปหาหมอกินยาไม่หายไม่หายความทุกข์ไม่หายมันโลกต่างด้านจิต ใจแต่มาวัดป่าสุกตัวที่นี่นะก็ปฏิบัตนะิแล้วก็ได้รับความอบพนใจจากธรรมชาติจากไกล่ณมิตรก็ข้าหายโรคจินะจไปกี่หลายปีนะ 10ปี20ปีกินยาหรือว่าไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลทาไม่หายแต่ามาที่นี่ปฏิบัติก็หายจริงอาตมาก็คงเคยได้รับอาจจะเป็นพันพัคนแล้วก็ได้เห็นได้ดูคนที่เปลี่ยนแปลงจริงๆ คนที่เป็นทุกข์เป็นคนที่สุขคนที่ร้อก็คนที่เป็นกลายเป็นคนที่เป็นไม่ทุกข์มีปัญญามันเกิดขึ้นก็เป็นมีคำรันใจมันเกิดขึ้น มีความสบายสบายกายสบายใจมันก็เกิดขึ้นก็รับรองได้จริงๆมันเป็นการเจริญสติที่เราปฏิบัติทมนี้ได้ผลแน่นอนมันก็เปลี่ยนเป็นคนที่ เป็นดีแล้วก็น อ, อกจากดีแล้วก็คนที่เป็นช่วยหรือคงอื่นได้ด้วยแต่ก่อนนี้ทะเลาะกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็ด่าหรือว่าหลังทรมานแต่ว่า ต่อไปก็เป็นเข้าใจว่าอ๋ออาบิจจมังเกิดขึ้นก็เลยมันก็พ่อแม่กับจังข้อมันก็ทะเลาะกันแก อ, อาบิจจาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความโกรธความทุกข์แล้วก็ทะเลาะไว้แวงโอวอกแวงกัน ถ้าเข้าใจแล้วก็ความกรอดของเราก็ออกจากเราไปหรือว่านี่แกไม่ใช่เป็นตัวชําไม่ดีหรือว่าเอเขาไม่ดีแค่อปิจ่านั่นแหละทำให้เกิดอาการความกรอดความอยากความหลมแล้วก็เกิด ทะเลาะเวียบบวกแว้งกันดังเกียดติกันหรือว่าตรมานเบียดเบียนกันเข้าใจแล้วก็อยอมรับให้อภัยกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่ให้มีความสุขใจได้ ไม่ต้องว่าดายาให้เขารักฉันอยากให้เขาบอกดีก็ไม่ต้องว่าได้เารก า, ก, เ า, า, ก, เ า, าก็เป็นคนดีไว้ก่อนบอกอะไรสิ่งที่ดีให้เขาก่อนเขาก็เปลี่ยนเป็นคนที่ดีคนที่มีความ แมตาการุลนาต่อกันพราการเจริญสติแล้วก็คำสองของพระพุทธเจ้าก็มันก็ความจริงมีชีวิตชีวาแน่นอน ไม่ใช่เป็นมนนั้นสือก็ชีวิตจิตใจอยู่ที่ใจมันมีธรรมะจริงๆทุกคนทุกคนก็มีพุทธภาวะอยู่ที่ใจแกว้วยันนอนหลับอยู่หรือว่าตื่นอยู่ถ้ามาถ้า นอนไปเรื่อยๆก็มันก็พุทธภาวะนี่ก็ไม่ช่วยแต่ว่าเราก็ปฏิบัติไปก็ทำให้เตื่นมันก็เป็นพุทธภาวะของเราก็เป็นมีชีวิตชีวาช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนที่รอบรอบ ช่วยสังคมช่วยพระเจ้าช่วยโลกได้ขรอกนี้ก็ยังมีปัญหาายสารพัดอย่างแต่ว่าเราก็ไม่บม่มไม่ต้บมบ่มไม่ต้งว่าดาเราก็พยายามที่ช่วยเหลือตัวเองวิธีกรรมพุทธศาสนาก็บังฝึก ตรงแองก่อนให้ตัวเราเป็นปกติเป็นคนที่เกิดเป็นสติปัญญาเกิดเมตตาการุณาถ้าเราเป็นเปลี่ยนก็คนที่ลบก้างลบค้านนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคนที่มีธรรมะมากก็สังคมก็ เป็นสังคมที่ดีสังคมที่ได้คือสนเป็นปเทศชาิก็ดีเราก็ทำตัวเองไว้ก่อนมาปฏิบัติตัวเริญสติไปเรื่อยๆในฐาะที่คนชาวพุทธของเรานะครับก็คิดว่าพอสมควร เ, เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านก็ขอเริญ ภาวนาจรุนสติจรุนปัญญาจนเต็มมากปอ น, นิพานในปัจจุบนาจาันอาชาตินี้ทึกถุ ก, กตกร